บุญกะยักษ์นั้นไปยืนคิดอยู่บนยอดกาลาคิรีบันพศนั้นความคิดย่อมเป็นความคิดสูงสูงต่ำต่ำประโยชน์อะไรกับความมีชีวิตอยู่ของวิตุระบัณฑิตนี้หามีแก่เราไม่เราจะฆ่าวิตุระบัณฑิตนี้เสียแล้วนำเอาแต่ดวงใจไปเถิดบุญกะยักษ์นั้นมีจิตคิดประทุสร้ายลงจากยอดเขาไปสู่เชิงเขา พักพระมหาสัตว์ไว้ในระหว่างภูเขาชําแรกเข้าไปภายในภูเขานั้นจับพระมหาสัตว์เอาศีรษะลงล่างปว้งลงไปที่พื้นดินที่ไม่มีอะไรกีดกัน้นวิธุระบัณฑิตผู้เป็นอมสาตประสเิฐสุดของชาวกุรุรัตเมื่อถูกห้อยศีรษะลงในเหวอันชันอันเป็นที่น่ากลัวน่าสยดสยองน่าหวาดเสียวมากก็ไม่สะดุ้งกลัว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 วันนี้ผิวพันธุ์ของท่านเหมือนของอมนุษย์ท่านจงบอกข้าพเจ้าท่านเป็นเทวดาชื่ออะไรปุณณะยักษ์ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นยักษ์ชื่อปุณณะและเป็นอมาตะของท้าวกุเวระท่านคงได้ฟังมาแล้วพญานาคใหญ่นามว่าวรุณผู้ครอบครองนาคพิภพมีรูปงามสะอาดสมบูรณ์ด้วยผิวพันุ์และกาลัง ข้าพเจ้ารักใคร่อยากได้นางนาคกัญญานามว่าอิรันทตีทิดาของพญานาคนั้นแน่ท่านผู้เป็นปรารเพราะเหตุแห่งนางอิรันทตีผู้มีเอวอันงามน่ารักนั้นข้าพเจ้าจึงตกลงใจจะฆ่าท่านวิตุรบัณดิตกล่าวว่าแน่ยักษ์ท่านอย่าได้มีความลุ่มหลงนักเลย สัตวโลกเป็นอันมากฉิบหายแล้วเพราะความถือผิดเพราะเหตุไรท่านจึงทำความรักใคร่ในนางอิรันธตีผู้มีเอวอันงามน่ารักท่านจะมีประโยชน์อะไรด้วยความตายของข้าพเจ้าเพินท่านจงบอกเหตุทั้งปวงแกข้าพเจ้าด้วยบุญกะยักษ์กล่าวว่าข้าพเจ้าปรารถนาธิดาของพยาวรุณนาคราชผู้มีอนุภาพมาก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 มีเนตรงามอย่างหน้าพิศวงรูปร้ด้วยจุนแก่นจันทร์ถ้าท่านพึงได้ดวงหัไทยของวิทุระบัณฑิตนำมาในหน้าพิภพนี้โดยธรรมเพราะความดีความชอบนี้ท่านก็จะได้ทิดาของเราเราทั้งหลายมิได้ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่านั้นแน่ท่านอัมมาตข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนหลงท่านจงฟังให้ทราบเรื่องอย่างนี้อันหนึ่ง ข้าพเจ้ามิได้มีความถือผิดอะไรอะไรเลยเพราะดวงหาไทยของท่านที่ข้าพเจ้าได้ไปโดยชอบธรรมท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมลาจะประทานนางอิรันทตีนาคัญยาแก่ข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพยายามเพื่อจะฆ่าท่านข้าพเจ้ามีประโยชน์ด้วยการตายของท่านอย่างนี้จึงจะผลักท่านให้ตกลงในเหวนี้ ฆ่าเสียแล้วนําเอาดวงหัตถ a ไปมิตุระบัณฑิตกล่าวว่าท่านจงยกข้าพเจ้าขึ้นโดยเร็วถ้าท่านมีกิจที่จะต้องทําด้วยหัตถ a ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งปวงนี้แก่ท่านในวันนี้ปุณญกะยักษ์นั้นรีบยกวิตุระบัณฑิตอมาตผู้ประเสริฐที่สุดของชาวกุรุรัตวางลงบนยอดเขา เห็นวิทุระบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่สามได้ความโล่งใจนั่งอยู่จึงถามว่าท่านอันข้าพเจ้ายกขึ้นจากเหวแล้ววันนี้ข้าพเจ้ามีกิจที่จะต้องทำด้วยหัไทยของท่านท่านจงแสดงสาธุนธรรมทั้งหมดนั้นให้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าในวันนี้วิทุระบัณฑิตกล่าวว่าข้าพเจ้าอันท่านยกขึ้นจากเหวแล้ว ถ้าท่านมีกิจที่จะต้องทำด้วยหาไทัยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งหมดนี้ให้ปรากฏแก่ท่านในวันนี้แนมานกท่านจงเดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วหนึ่งจงอย่าเผาฝ่ามืออันชุม่มหนึ่งอย่าได้ประทุสร้ายในหมู่มิตรในการไหนไหนหนึ่งอย่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงอสตรีหนึ่ง บุณญกะยักษ์กล่าวว่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วอย่างไรบุคคลชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มอย่างไรบุคคลเช่นไรชื่อว่าประทุสร้ายมิตรหญิงเช่นไรชื่อว่าอสตรีข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นผู้ใดพึงเชื่อเชิญคนที่ไม่คุ้นเคยกัน ไม่เคยพบเห็นกันแม้ด้วยอาสนะบุรุษพึงกระทาประโยชน์แก่บุคคลนั้นโดยแท้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุรุษนั้นว่าชื่อว่าผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้วบุคคลพึงอยู่ในเรือนของผู้ใดแม้คืนเดียวได้ข้าวน้ำด้วยไม่ควรคิดร้ายแก่ผู้นั้นแม้ด้วยใจผู้คิดร้ายต่อบุคคลเช่นนั้นเป็นผู้ประทุษร้ายมิตร ชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุม่มบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะบุคคลเช่นนั้นเป็นคนชั่วช้าชื่อว่าประทุษร้ายมิตรหญิงที่สามียกย่องอย่างดีถึงกับยกแผ่นดินนี้อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ให้ได้โอกาสแล้วพึงดูหมิ่นสามีนั้นได้ บุคคลไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของหญิงเหล่านั้นผู้ชื่อว่าอสตรีบุคคลชื่อว่าเดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มอย่างนี้ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงผู้ชื่อว่าอสตรีอย่างนี้ชื่อว่าประทุษร้ายมิดอย่างนี้ท่านจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมจงละอธรรมเสีย สาธุนรธรรมกันจบ